ขออนุโมทนากับทุกๆ ท, ท่านที่เห็นประโยชน์กับการได้มาร่วมกันฟังธรรมะการพูดวันนี้นี่จะเรียกว่าเป็นธรรมะก็ได้แต่เป็นธรรมะแบบสบายๆนะไม่ต้องเป็นเรื่องเคร่งเครียดอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาการฟังอะไรก็ตามถ้าฟังแล้วเราเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์ อย่างวันนี้จะพูดในสิ่งที่มีในตัวคนทุกคนมีในตัวเราไม่ได้พูดนอกเหนือจากตัวเราไปเลยถ้าเราสามารถนำเอาแง่คิดสิ่งที่ผมได้พูดไปเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็จะถือว่ามีคุณค่ามากส่วนมันจะตรงกับจิตใจเราแง่ไหนมุมไหนนั้นก็ลองสำรวจ ด, ดูนะผมก็ไม่ทราบว่า จะพูดแบบไหนที่จะตรงกับใจของผู้ฟังก <g iggle> ็ลองฟังดูนะเพราะว่าเรื่องบางอย่างแง่คิดบางอย่างถ้าเรานําเอาไปใช้พิจารณาแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองได้เนี่ยบางทีมันเป็นประโยชน์มากคําพูดบางคำเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตเลย <g iggle> ในทางตรงข้ามคําพูดบางคําของเราเนี่ย บางทีทำให้คนอื่นเนี่ยเศร้าซ้อยเหงาหงอยก็เป็นไปได้เพราะว่าทุกชีวิตทุกคนต้องการความสุขอยากจะมีความสุขสแสวงหาความสุขแล้วก็ไม่อยากให้ชีวิตนี้มีปัญหาไม่อยากมีความทุกข์แต่ว่าเราอุตส่าห์สแสวงหาความสุขแต่บางทีมันก็มีความทุกข์ติดมาด้วยใช่ห บางทีทุกข์มากกว่าความสุขในซ้าไปบางทีต้องแลกกันความสุขต้องแลกจากความทุกข์เนี่ยทำไมจะเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นธรรมดาของชีวิตนะคุณอยู่กับว่าเราจะจับแง่มุมไหนเราเข้าใจไม่ว่าความสุขนั้ น, นเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ร่างกายและเกิดขึ้นที่จิตใจความสุขเกิดขึ้นที่ไหนตอบในใจนะมันเกิดที่ร่างกายและจิตใจ ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นที่ร่างกายแร้วเกิดขึ้นที่จิตใจของเราใจเป็นผู้ที่รับรู้ถึงเรื่องความสุขสุขเกิดขึ้นที่ใจอันนี้พิสูจน์ได้คนตายนี่มีร่างกายเหมือนกันนะ <c oughs> คนที่ตายเนี่ยมีร่างกายเหมือนกันแต่ว่าเป็นร่างกายที่ไม่รับรู้แล้วว่าสุขอะไรคือทุกข์อะไรแต่เชื่อไหมว่าคนเป็นๆ เ, เนี่ย คนเป็นเป็นที่มีใจเนี่ยบางทีก็ไม่มีความสุขแม้ว่ามีใจแล้วยังไม่มีความสุขเป็นเพราะอะไรสังเกตดว่าบางคนเนี่ยร่างกายนี้แข็งแรงมากร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายเนี่ยดีมากแต่ถ้าจิตใจเขาซึมเศร้าเหงาเซงเบือ่อจิตฟุงซ่านเครียดอย่างนี้ ถือว่ามีความสุขไหม <c oughs> สุขไม่ได้หรอกดูล่างกายล้วเหมือนเป็นสุขนะแต่จิตใจเนี่ยถ้ายังฟุง้งซ่านซึมเศร้าอยู่แล้วก็ <c oughs> ก็ไม่ถือว่ามีความสุขแต่ในทางตรงข้ามบางคนเนี่ยร่างกายสุดโทมร่างกายอ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากเป็นผู้สูงอายุดูแล้วไม่น่าจะมีความสุขเลย แต่ถ้าเขาสามารถทาจิต ท, ทำใจให้เป็นสุขได้แล้วก็อันนี้ถือว่าเขามีความสุขเหมือนกันเห็นไ่มเพราะนั้นไม่ขึ้นกับร่างกายนะคนบางคนเนี่ยมีสุขภาพดีเรียนเก่งหน้าที่การงานก็สูงมีพร้อมทุกอย่างในชีวิตดูแล้วน่าจะเป็นสุขแต่ชื่อไ้มว่าบางคนนั้นบางทีนอนไม่หลับก็มีนะ เป็นเพราะอะไรเป็นเราะบางทีคิดมากปรุงแต่งก็อย่าใช้ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วเอาไปคิดจะได้สแสวงหาความสุขได้อย่างถูกต้องก็บอกว่าความสุขไม่ขึ้นอยู่กับที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจเป็นสําคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีมีพร้อมทุกอย่างเลยแต่ถ้าจิตใจไม่มีความสุขแล้วก็ก็จะสุขไปไม่ได้แต่บางคนเนี่ยร่างกายสุดโทมอ่อนแอ แต่จิตใจเขาสามารถทําใจได้แล้วก็คิดมองโลกในแง่ดีเขาก็มีความสุขได้เหมือนกันอันนี้เรื่องร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ในัณเดียวกันเนี่ยถ้าร่างกายเราดีด้วยจิตใจดีด้วยโอ้เนี่ยโชคดีเลยสุขทั้งกายสุขทั้งใจเลยใช่อันนี้เรียกว่าเป็นคนมีบุญ <laughs> แล้วก็มีบุญอย่าง ท่านผู้ฟังเนี่ยก็ดูเถอะว่าใจเรามีความสุขไหม <c oughs> เนี่ยเดี๋ยนั่งผู้สูงอายุนั่งเนี่ยโอ้ใจยิ้มแยม้มแจ่มใสนะโอ้นี่ก็มีความสุข <c oughs> บางคนอายุน้อ ย, อยแต่หน้าเครียดหน้านิ่วหัวคิ้วผูกโบน <c oughs> มองภายนอกก็ไม่มีความสุข <c oughs> มันขึ้นอยู่กับจิตใจนะขึ้นอยู่กับวิธีคิดความสุข <c oughs> คืออะไร <c oughs> <c oughs> คือ สิ่งที่เราได้สมความปรารถนาซึ่งทุกวันเนี่ยเราก็สแสวงากันอยู่แล้ว <Yeah. S 1> ไปเที่ยวดูหนังได้ดูสิ่งที่เราชอบได้เห็นสิ่งที่เราชอบมันก็มีความสุขได้ฟังเสียงเพราะๆ เ, เสียงเพลงคำพูดที่ไพเราะ อ, อ่อนหวานคำสรรเสริญเยินยอ มันก็มีความสุขนะได้ยินบ่อยๆ ย, ยิ่งดีดมกลิ่นห อ, อมอันนี้ก็เป็นความสุขทานอาหารรสชาติที่อร่อยอันนี้ก็คือความสุขได้สัมผัสนุ่มนวลเสียวซาดทางดา น, นาร่างกายอันนี้ก็มีความสุขซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสแสวงหากันอยู่แล้วเราสแสวงหากันอยู่แล้วแต่ การสแสวงหาความสุขแบบนี้เราต้องไปใช่ไหมวันทีต้องไปบันทีต้องเสียเงินเพลงเพลาะๆต้องซื้อมาหลายแผ่นหน่อย <c oughs> หนังสนุกต้องซื้อมาหลายแผ่นมันติดใจนะเราต้องสแสวงหาแต่ถ้าเราสแสวงหาไม่ได้ใจเราก็จะเครียดไม่ได้อย่างใจไม่ได้สมความปรารถนา แต่ถ้าเราสแสวงหาแล้วก็สแสวงหาไปเถอะไปเรื่องธรรมดาแต่ก่อนผมก็สแสวงหาแบบนี้เหมือนกันก่อนที่จะมาพิการเนี่ยโอ้สแสวงหาความสุขชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบเล่นกีฬาคือต้องไปอ่ะต้องไปเสียเงินต้องไปเที่ยวไปหาเนี่ยแต่ต่อมาเนี่ยเราไปไม่ได้เราจะทำอย่างไรถ้าเราไปไม่ได้ไรเราไไจะสแสวงหาความสุขได้อย่างไรวันนี้จะมาเสนอ เสนอความสุขที่ไม่ต้องแสวงหาแต่ไม่ปฏิเสธนะแสวงหาไปเถอะอยากเที่ยวอยากดูไปเลยแต่มีความสุขแบบหนึ่งที่ไม่ต้องแสวงหาจะเรียกว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเราก็ได้โดยที่ไม่ต้องหาวันดีก็ดีมันก็โผล่ไหมหเรามีความสุขสดชื่นดีไหมไม่ต้องหาในดีนะ <c oughs> บางคนจะบอกเลยบอกว่า คนเราเนี่ยกินข้าวก็อร่อยแต่ถ้าเราไม่ต้องกินข้าวเลยมันก็ดีเหมือนกันนะบางคนรำคาญโอถึงเวลาต้องกินอีกแล้วถึงเวลาต้องกินอีกแล้วการกินเลยกลายเป็นภาระก็จะบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ต้องกินนี่มันน่าจะดีนะบางคนคิดแบบนี้เหมือนกันนะเคยคิดไหมบางทีเป็นภาระนะบางทีไม่หิวหรอกแต่ถึงเวลาเนี่ยมันจะต้องกิน วันนี้จะมาเสนอว่าอยู่อย่างไรให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องสแสวงหาแม้ว่าเราสแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกแล้วบางทีมันก็ไม่ได้อย่างใจหวังมันสุขไม่ถึงใจสักทีใช่ไหมแต่เรามีวิธีทำให้หาความสุขโดยที่ไม่ต้องสแสวงหามันต้องมีเครื่องมือสักหน่อยมีเครื่องมือ ก็คือการมีสติการมีสติสติเนี่ยจะเรียกว่าแก้วสารพัดนึกก็ได้นึกให้เป็นความสุขก็ได้สติคือแก้วสารพัดนึกในความหมายคือสติคือความละลึกได้สติต้องไปหาไหมสติอยู่ที่วัดหรือเปล่า สติไม่ต้องไปหาสติไม่ได้อยู่ที่วัดสติอยู่ที่ตัวเราทุกครั้งที่เรามีความระลึกได้เราก็มีสติแล้วเช่นเรานั่งเนี่ยเรานั่งเนี่ยถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังนั่งอ่ะมีสติแล้วขณะกำลังฟังรู้ตัวว่ามีเสียงมากระทบหู ถ้ามีสติแล้วเรากาลังขยับตัวเรารู้สึกว่ากาลังขยับตัวเนี่ยต้องมีสติแล้วรู้สึกเมื่อยไหม <c oughs> ถ้ารู้ว่าเราเนี่ยโอ้เราเมื่อยแล้วเรามีสติแล้วสังเกตดูจิตขณะที่เรารู้สึกอย่างเนี้ยจิตมันเป็นปกติมากเราไม่อยากจะไปไหนหรอกขณะที่เรารู้สึกตัวอยู่เราไม่อยากจะไปไหนอยู่ตรงเนี้ยมันก็สบายสบายดีอยู่ S 1> <S 1> สติเอาไปใช้ได้ไหลายๆที่เลยไม่จะเป็นต้องไปที่วัดหรือไปที่ปฏิบัติธรรมเพราะสติอยู่กับเนื้อกับตัวเราถ้าเราละลึกได้รู้สึกตัวเมื่อไหร่แล้วก็คือสติอยู่กับตัวเรา seller. ถ้ามันคิดนึกคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้ามีสติรู้อย่างเช่นคิดไม่พอใจ รู้สึกลำคาญแค่เรารู้สึกว่าอ๋อนี่เรารู้สึกลำคาญแล้วสติมันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันเนี่ยแล้วตรงนี้แหละถ้าสติเกิดขึ้นบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆว่าเรากาลังทำอะไรกาลังคิดอะไรแล้วก็จิตมันจะเป็นปกติถ้ารู้เรื่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมีความสุขมันเริ่มต้นจากความจืดก่อน มาเริ่มจากรู้จิตตื่นเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเข้มข้นมีรสหวานชื่นอกชื่นใจสุขภาพจิต ด, ดีเป็นปกติคนรุ่นเนี้ยรุ่นวัยเดียวกับผมเนี่ยเคยกินอ้อยไหมอ้อยที่ก็เป็นลำยาวๆอ้อยเนี่ยมันจะมีสองด้านทางโคนกับทางปลายทางปลายนจะจืดสนิด ต้องโคนเนี่ยหวานชื่นใจการที่เรามามีสติรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนกินอ้อยทางปลายมาก่อนกินทั้งปลา ย, เ, ย, ลายเคี้ยวแล้วก็ขายทิ้งเคี้ยวแล้วขายทิ้งดูดน้ําหวานเขา้าไปจาก จ, จุดไปถึงต้องโคนเนี่ยโอ้มันจะหวานชื่นใจอันนี้คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมีรสชาติ แต่ในข้อดีกันเนี่ยถ้าเราสแสวงหาความสุขวิ่งหาความสุขสิ่งภายนอกเหมือนกินอ้อยทางโคลนไปหาทางปลายถูกไหมตอนแรกก็หวานชื่นใจต่อไปเนี่ยมันจืดชืดเผลอๆมันเป็นทุกข์เรือ่อยๆไปก็จะบอกว่าอะไรรักสนุกจึงทุกข์ถนัด <c oughs> การมีครอบครัวคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าก็คือตรงนี้แหละคือกินอ้อยทางโคนเข้าไปแล้วและช่วยไม่ได้มันต้องถึงปลายแน่นอน ทังคนยิ่งกินยิ่งหวานยิ่งหวานยิ่งกินยิ่งกินนี่หวานแทะจะตั้งคนไปถึงปลายมันก็เจริสนิทเหมือนกันนั้นถ้าเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยิตจะเริ่มจากความเป็นปกติไม่มีอะไรมาปรุงแต่งต่อไปมันจะเท่าถึงความเบิกบานความสดชื่นซึ่งไม่ไม่มีใครรองเราก็ไม่มีทางได้รู้แล้วต้องรองดู สติคือความระลึกได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรอยู่และเราสามารถใช้สติกับชีวิตประจำวันหาความสุขกับการทำงานได้ทันทีเลยไม่ใช่การทำงานเนี่ยเราต้องใช้สติไหมการทำงานการมีสติอยู่กับการทำงานเนี่ยงานจะไม่ผิดพลาดยิ่งทำงานในโรงงานเนี่ย ถ้าขาดสติเนี่ยอันตรายมากนะถ้าขาดสติเนี่ยอันตรายมากนะมังกรมีนิ้วอยู่สิบนิ้วนิ้วมือไม่รู้หายไปไหนครึ่งนิ้วก็มีนะมีคนมาเล่าให้ฟังเนี่ยหายไปครึ่งนิ้วเพราะขาดสติถูกเครื่องมือตัดนิ้วไปแล้วครึ่งโทษของการขาดสติโอกาสผิดพลาดจากการทํางานได้มีมาก แล้วจิตใจเนี่ยไมไ่อยู่กับแดนงานถ้าขาดสติไม่อยู่กับปัจจุบันกับการทางานเพราะอะไรเพราะทำงานตรงนี้แต่ใจไปคิดล่วงหน้าโอ้เราจะได้อะไรจากงานนี้บ้างงานนี้มันต้องฟาดกำไรเท่าไหร่แล้วมันจะเสร็จทันเวลาไหมกลัวผลงานออกมาไม่ดีแล้วนี่ใกล้เวลาจะเลิกงานแล้วคือไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลย แล้อย่างเงี้ยรับรองจะไม่มีความสุขกับการทำงานเลยใช่พราะจิตไม่ได้อยู่กับแดนงานไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอยู่ถึงผลงานในอนาคตอย่างเงี้ยไม่มีความสุขหรอกเพราะอะไรเพราะจิตมันคิดปรุงแต่งกังวลในอนาคตกังวลในอนาคตจะไม่พอนะพูดถึงแล้วถ้าทำงานแล้วได้รับผลว่าเข้าไปในอนาคตได้รับผลปับ๊บ แล้วมันจบตรงนั้นที่ไหนอะ่ะโอ้ข้างหน้าต้องให้มันดีกว่านี้ข้างหน้าต้องดีกว่านี้มองไปข้างหน้าอีกพอตื่ข้างหน้าแล้วมองไปข้างน้นอีกจนตายตายแล้วยังรอชาตินายเราจะไม่มีความสุขเลยเพราะรอผลแต่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเราลืมไปว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีความสุขได้ถ้าลองมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันสิ เราจะมีความสุขมันเหมือนคนที่มีชีวิตใหม่ถ้ามองแต่ข้างหน้าเนี่ยเราใฝ่คว้าถึงอนาคตเหมือนคว้าเงาเราอาจจะมีชีวิตไม่ถึงอนาคตก็ได้ทำไมไม่เอาเวลาในอนาคตเนี่ยมาใช้ปัจจุบันให้หมดนะไม่ต้องเป็นคนมีอนาคตละมาอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจใจมันจะมีความสุขอย่างตอนเนี้ย ผมว่าหลายคนเนี่ยใจนี่ผ่อนคลายมีความสุขมากเราเป็นหนี้ใครมันลืมไปแล้วตอนนี้เราเคยทำอะไรกับใครไว้เนี่ยไอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันลืมไปแล้วมันไม่ได้คิดขึ้นมาเพราะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้คิดปรุงแต่งมันก็สบายสบายดีนะแต่ถ้าคิดมนเมื่อไหร่แล้วก็โอ้กรรมมันส่งผลนะกรรมมันมาความคิดใช่ไหมโอ้นี่เราไปทาอะไรไว้กรรมส่งผลทันทีเลย ถ้าไม่อยากให้กรรมส่งผลแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเขาไว้มันมีความสุขสุขกับการทำงานมันเพลินเคยไหมโอ้ทำงานจนเพลินลืมกินลืมนอนเลยและจิตมันจะผ่อนคลายสุขอยู่ตรงนี้สุขที่ปัจจุบันแต่สุขที่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เข้าไปอยู่แต่รู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน รู้อยู่รู้อยู่อย่าเข้าไปอยู่นะถ้าเข้าไปอยู่เนี่ยเราเป็นคนแก่อยู่กับปัจจุบันเราก็แก่ <tenga> เราเป็นคน ป, ป่วยคนพิการถ้าอยู่กับปัจจุบันเราก็พิการแต่รู้อยู่อ๋อนี่มันแก่นี่มันพิการนี่มันรู้อยู่รู้อยู่อย่าเข้าไปเป็นนะเ <comprend> นี่ยเรียกว่ารู้ที่ปัจจุบันมันจะมีความสุขส่วนเรื่องผลของงานนั้นมันได้ทีหลังเป็นผลพลอยได้ได้ก็ได้ บางทีก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่กับการทำงานเนี่ยถึงเวลาเนี่ยเงินเดือนมันมาเองไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องรอก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะเราทาตรงนี้แล้วเนี่ยนี่คือปัจจุบันความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่เงินนะสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่เงินเงินเป็นเพียงแค่เครื่องอำนวยความสะดวก เงินคือสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้นแหละจับใจ่ายใช้สอยอย่างสุดสบายแต่ไม่ใช่เครื่องหมายของความสุขสุขอยู่ที่จิตใจเพราะว่าคนบางคนเนี่ยมีเงินมากร่ำรวยบางทีเขาก็นอนไม่หลับนะบางทีหาประเทศอยู่ไม่ได้อย่างมีเลยต้องเล่ล่อนอยู่ประเทศไม่ได้โอ้ี่ไปเจ้าของประเทศแทนๆนะ จะอยู่ประเทศไม่ได้ต้องเล่ล่อนไปใช้เงินต่างประเทศแม้ใช้เงินมากมายแต่ก็ไม่เป็นสุขไม่เหมือนบ้านเราเอแต่คนบางคนนี่ไม่มีเงินเลยเลยไม่มีเงินนะอย่างเมืเช้าเนี่ยนั่งรถบรรเช้าโอเห็นสวนสาธารณะมีคนหอบผ้าก็เลิกก็ะลานอนโมนแะล้วยังไม่ตื่นเลยโอเนี่ยเจ้าของประเทศนอนที่ไหนก็ได้ สนามหลวงก็ น, นอนได้สถานที่ที่เขาให้นอนนอนได้ทั้งนั้นเนี่ยเขาเจ้าของประเทศไม่ต้องหนีไปไหนไม่มีเงินนะแต่ก็มีความสุขกับการนอนนอนหลับสบายไม่ต้องกลัวขโมยด้วยไม่ต้องกลัวใครมาขอยืมเงินด้วยโอสบายเลยเนี่ยสุขมันอยู่ที่ใจไม่ใจที่เงินมีเงินมากบางทีก็ทุกข์มากถ้ามีไม่เป็นถ้ามีไม่เป็นยึดมั่นถือมั่นเอาเงินมาแบกไว้บนบ่าเราเงินฝากธนาคาร ก็มีความกังวลว่ากลัวจะไม่ได้คืนไม่ได้เบิกมีไม่เป็นก็เป็นทุกมีแล้วยึดมั่นถึงมั่นไม่ได้เป็นนายของเงินถูกเงินเป็นนายตกเป็นทาตของเงินเพราะนั้นเงินเป็นแก้เคลือกอำ น, นวยความสะดวกดีมีไว้ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมจิตใจเราสำคัญกว่าเงินเสียเงินถูกขโมยไปสัก1 0 0บาทไอ้เราก็กลุ่มใจใช่ ไม่ถูกขโมยเงินอย่างเดียวถูกขโมยใจไปด้วยหนึ่งอบาทหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ใจเป็นทุกข์มากไอ้เงินหนึ่งร้อยเนี่ยถูกขโมยใจให้ก็ขอยืมเงินไปเขาไม่ยอมใช้คืนโอ้ไม่ได้ยืมเงินเราอย่างเดียวแล้วเป็นทุกข์มากมันยืมใจเราไปด้วยเป็นทุกข์แล้วนะเพราะฉะนั้นเงินไปเพียงแค่เครื่องอํานวยความสะดวกนะไม่ใช่เป็นเครื่องหมายขอยงความสุขความสุขอยู่ที่ใจ คนบางคนเนี่ยทำงานในระบบทำงานและราชการทำงานแล้วรับเงินเดือนไปลูกจ้างบางทีเขาก็ทำงานแบบไม่มีความสุขเพราะมีหัวหน้ามีเพื่อร่วมงานที่ไม่เข้าใจกันแล้วบางทีงานก็ไม่ชอบอเบือ่อถึงเวลาเงินเดือนออกก็ได้เงินเดือนตามปกติแต่ทำงานไม่มีความสุขแต่คนบางคนเนี่ยอาสาสมัครทำงาน แบบไม่รับเงินแต่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของงานเขาทำงานแบบมีความสุขมากเพราะเขาไม่ได้บุ้งหวังในผลจะได้อะไรอาสาสมัครก็ทำงานแบบมีความสุขแต่ไม่มีเงินนะแต่มีความสุขเพราะนั้นมันอยู่ที่จิตใจเราตั้งหาคนเราเนี่ยอยากจะมีความสุขเนี่ย ถ้าเราจะต้องให้มีพร้อมทุกอย่างมีบ้านใหญ่ๆมีรถเก๋งคันงามมีงานการที่ทำดีๆมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีทรัพสมบัติให้มันสมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะถ้ามีได้ก็ดีแต่มันเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเรามีความพอใจพอใจในงานที่เราทำพอใจในผลงานที่ได้ พอใจในความเป็นอยู่ของเราพอใจในคู่ครองของเราเราก็มีความสุขได้ความสุขอยู่ที่ความพอใจไอ้ความพอใจเนี่ยมันพอดีนะมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงด้วยจิตที่พอเพียงคือมีความพออกพอใจเห็นไ่มส่วนการพัฒนาใจดีขึ้นมากคือนั้นทำไปเถอะทำได้อะไรพอใจพอใจวันนี้ได้หนึ่งร้อยโอ้พอใจพอใจ พรุ่งนี้แค่ว่ากันใหม่พอใจดีที่เราได้เนี่ยใจมันจะเป็นปกติมันก็เป็นความสุขบางทีวิธีคิดของเราเนี่ยวิธีคิดเนี่ยทำให้เกิดความสุขได้ง่ายถ้าเราคิดไม่เป็นคิดแล้วเป็นทุกข์เนี่ยอันเนี้ยมันก็สุขเกิดขึ้นไม่ได้สำคัญนะวิธีคิดเนี่ยถ้าคิดมองโลกในแง่ดีเวลาเกิดปัญหาชีวิตมองโลกในแง่ดีมันก็เปลี่ยนจาก ความทุกข์เป็นความสุขได้เหมือนกันคิดในแง่บวกเนี่ยมันได้กําลังใจมันมีความหวังใจมันก็ดีแล้วยังไม่ทันได้แก้ปัญหาเลยแต่ถ้าเราเจอปัญหาป้าคิดในแง่ลบความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้คิดในแง่ลบแต่มันเพิ่มปัญหาความคิดเนี่ยสำคัญมากความคิดเนี่ยสามารถทำให้คนเนี่ยตกต่ำก็ได้จเจริญรุ่งเรืองก็ได้ ความคิดเนี่ยมันมีแรงผลักดันมากคนจะมีพลังจิตพลังใจได้นั้นจะต้องมีความคิดที่เป็นบวกมีขวัญมีกำลังใจนะถ้าคิดเศร้าส้อยโอ้แย่เลยเรา <c oughs> แย่เลยเรามันเบีนกรรมอะไรของเราเนี่ยรับรองว่ามันจะหาความสุขไม่ได้แต่บอกไม่เป็นไรอันนี้เรื่องเล็กเรื่องน้อย <c oughs> เรื่องจิบจอยโอดมันมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาแล้ะเรื่องความคิดเนี่ยสาคัญมาก ถ้าจะคิดอย่างนี้ได้นั้นต้องมีสติสติต้องมาก่อนสติเป็นตัวจัดสรรความคิดอันเนี้ยเป็นความสุขที่เราไม่ต้องสแสวงหาแค่คิดเอาดีมันก็สุขได้เพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนอย่างอื่นนะเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่คือแทนที่เราจะทำงานหรือใช้ชีวิตแบบหลงลืมตัวเราลองเติมสติลงไปกับการใช้ชีวิต ตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเราเติมสติดูก่อนเห็นไหมตื่นนอนตอนเช้ามาเนี่ยให้เรารู้สึกตัวก่อนมีสติก่อนอย่าปล่อยให้ความคิดเข้ามาก่อนถ้าความคิดเข้ามาก่อนเนี่ยเดี๋ยววันทั้งวันเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยโอ้นี่ไปไม่ทันทํางานแล้วสายแล้วใครดูทั้งวันเนี่ยวุ่นวายมันเริ่มต้นชีวิตแรกเนี่ยวุ่นวายในจิตใจแล้ววันทั้งวันก็เป็นอย่างนั้น ก็จะวุ่นวายไปแต่ถ้ามีสติมาก่อนตื่นมารู้สึกตัวว่าเรานอนท่าไหนสติมาก่อนเนี่ยสังเกตดูวันนั้งวันเนี่ยสติมันจะคลอเกลียแต่บางคนก็ตื่นเช้ามาสติเกิดนะพอตื่นมารู้สึกตัวแล้วแต่หลงลืมไปตั้งนานนะก่อนนอนมารู้สึกตัวอกีกที <c oughs> ลืมนานเกินไปให้มันเกิดขึ้นเป็นระยะระยะเนี่มันจะช่วยจิตช่วยใจให้มีความสุขได้ในแต่ละขณะแตขณะ ถ้าเรานำเอาสติมาใช้กับชีวิตประจำวันจิตจะเป็นปกติสุขภาพจิตจะดีโรคจิตโรคประสาทไม่เกิดขึ้นอาการนอนไม่หลับไม่มีนอนหลับสบายเลยไอ้ที่ไม่หลับเพราะอะไรไมเพราะจิตมันคิดฟุ้งซ่านคนนอนไม่หลับเนี่ยเกิดจากความคิดอย่างหนึ่งนะเนี่ยตัวสาคัญเลยคือความคิดปรุงแต่งทำให้นอนไม่หลับหรือ ดื่มกาแฟมากเกินไปหรือกลางวันนอนเพียงพอแล้วกลางคืนก็ไม่อยากหลับนะแต่ถ้ามีสติเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้จะหลับสบายแม้ว่าใช้เวลานอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ตื่นมาก็สดชื่นสังเกตไหมคนนอนไม่หลับเนี่ยตื่นมาเนี่ยจะปวดต้นคอคอแห้งปวดเมื่อยตื่นมาไม่สบายตัว เหมือนหลับแต่มันก็ไม่หลับหรอกถ้าตื่นมาสดชื่นอันนี้คือหลับผู้เรียนก็เคยนะแต่สมัยก่อนเนี่ยผมนอนไม่ค่อยหลับมีความคิดมากเพราะมาฝึกสติเนี่ยนอนพลิกมือเล่นเนี่ยรู้สึกพลิกมือควม่มรู้พลิกมือหงายรู้ตัวว่ากาลังพลิกมืออ๋อจิตมันมารู้ที่การเคลื่อนไหวมันลืมความคิด ปรุงแต่งโอ้หลับสบายเลยหลับสบายเลยให้มารู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยจิตไม่อยู่กับตัวอยู่กับกายเนี่ยมันจะปลอดภัยมากไม่ถูกความคิดปรุงแต่งแย่งเอาไปเพราะนั้นจะไปทำตอนนอนเนี่ยไม่ได้หรอกต้องทำทั้งวันรู้สึก เ, เดินก็รู้สึ ก, กว่าเดินนะรู้ตัวว่าเรากำลังเดินนะอย่าปล่อยจิตใจให้เรื่อยลอยมารู้สึกตัวจะดื่มจะเคี้ยวจะกินให้รู้สึก อยู่กับปัจจุบันอยู่กันเน้อกับตัวเราทํางานก็รู้สึกมันคิดมันเกลียดมันโกรธก็รู้สึกอันนี้เป็นการฝึกใหสติมันเจริญแล้วถึงเวลานอนเนี่ยมันง่ายที่จะไม่คิดมันง่ายที่จะรู้สึกตัวนะเราสร้างความมันเคยจินต้องจิตเอาไว้บ่อยๆจิตมันก็จะเคยจินรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติแล้วสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าจะคิดก็คิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างเป็นระเบียบ คิดแล้วก็เลิกได้แต่เดี๋ยวนี้เราคิดแล้วเลิกไม่ได้คิดแล้วมันคิดปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจบไม่ลงถ้ามีสติแล้วมันจบได้มันมีความคิดสองอย่างคิดแบบไม่ตั้งใจคิดกับคิดแบบตั้งใจคิดคิดแบบไม่ตั้งใจคิดเนี่ยนั่งเฉยก็ปรุงแต่งแล้วปรุงไปเรื่อยสารพัดอย่างกับคิดแบบตั้งใจคิดคือเจตนาคิดคิดอย่างมีสติคิดแก้ปัญหาคิดวางแผน ความคิดที่ตั้งใจคิดเนี่ยมันจะเป็นระบบและมันจบได้ง่ายไอ้ความกังวลเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคิดปรุงแต่งแบบไม่ตั้งใจคิดเนี่ยเดี๋ยวละสารพัดอย่างแล้วแต่มันจะพาไปแลวมันจบยากมันยิ่งปรุงยิ่งมันเรียกการปรุงนะจบไม่ได้ถ้ามีสตินี่มันตัดออกไปเลยตัดความคิดที่มันปรุงแต่งแบบไม่ตั้งใจคิดกลายมาใช้ความคิดใช้ความคิดนี่ใช้แล้วมันวางได้ แต่ถ้าความคิดมันใช้เราเนี่ยโอ้จักว่ามันจะวางเราไปเองทุกหลักต้องมีสติคอยสกัดกั้นแบบนี้ถ้ามีสติกับการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ต้องกลัวโรคจิตโรคประสาทซึมเศร้าไม่มีจะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีเมื่อสุขภาพจิตดีแล้วสุขภาพกายก็พลอยดีไปด้วยเครียดจิตเป็นนายกายเป็นเบาเพราะจิตมันดีโอ้ร่างกายมันก็จะดีไปด้วย แม้กายไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของจิตใชแบ่งแยกไปเลยเราก็ดูแลกายไปด้วยจิตที่เป็นปกติแม่ร่างกายปวยาย่วยไข้เราก็พากายไปหาหมอโดยที่ใจเป็นปกติไม่ต้องเป็นทุกข์แต่คนทั่วไปเนี่ยไม่มีสติพอกายป่วยโอ้ใจก็ป่วยไปรู้ไม่มีใครพาเราไปหาหมออาศัยคนอื่นเพราะจิตมันไม่ดีแต่แล้วนายไม่ดีเบาเลยแย่เลย ถ้าจิตดีกายก็พลอยดีไปด้วยเมื่อจิตดีเนี่ยมองอะไรมันก็ดีนะมองพระจันทร์ก็สวยงามถ้าจิตไม่ดีนี่มองพระจันทร์มีหนวดนะโอ้ไม่สดชื่นมองโลกไม่สดใสเลยเพราะจิตไม่ดีและไปโทษโลกไม่ดีไม่ได้โทษสิ่งเวล้อนไม่ดีโทษคนนู้นโทษคนนี่กลายเป็นนักโทษลืมโทษใจตัวเองอใจเราตังหากที่ไม่ดีพอใจไม่ดีแล้วอะไรก็ไม่ดีเหมือนอย่างบาดแผลเนี่ย ร่างกายที่มีบาดแผลไปจับอะไรเชื้อโลกก็เข้าถ้ากายที่ไม่มีบาดแผลมือไม่มีบาดแผลเนี่ยจับอะไรเนี่ยเชื้อโลกก็ไม่เข้าเหมือนจิตเราอะถ้าจิตไม่ดีเหมือนจิตมีแผลไปมองไปเห็นอะไ ร, ะไรก็อะไรก็ไม่ดีไปทั้งหมดกลายเป็นสิ่งภายนอกไม่ดีแต่ลืมดูว่าใจเราไม่ดีสติเนี่ยสามารถควบคุมจิตให้เป็นปกติให้จิตมันดีได้เมื่อจิตดีอารมณ์มันก็ดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดี มองโลกในแง่ดีมีกำลังใจกระตือรือร้นมีชีวิตชีวาคนเรามีแต่ชีวิตแต่ไม่มีชีวาชีวิตเนี่ยใครก็มีได้แต่ชีวาเนี่ยคือความสุขความกระตือรือร้นความมีกำลังใจมีความหวังมีความมั่นใจในตัวเองอันนี้คือชีวิตที่มีชีวาไม่หงอยเหงาเศ้าซ้อยเห็นไหมเราทำงานแบบไม่มีชีวิตชีวาเคยไ ไม่สนุกไม่เป็นตูกกับการทำงานไม่เป็นตัวการใช้ชีวิตถ้ามีสติแล้วชีวิตมันมีชีวาไม่ทอ้อแท้ประอุสักต่างๆและอย่างหนึ่งสำคัญก็คือว่าทำให้เรามีคุณธรรมมากขึ้นทำที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะอุปการะมากทำให้เราเป็นคนที่มีคุณธรรมอายชั่วกลัวบาป อายช่วกลัว บ, บาปจะไม่ยอมทำบาปทำความดีแล้วมีความสุขลดละเลิกอบายามุขนมีสติเนอบายามุขเลยเข้าไมถึงเลยนะเพราะอะไรอย่างเช่นว่าเราจะดื่มสุราการอยากดื่มสุราเนี่ยมันเกิดจากความคิดใช่ไ้ยคิดอยากก่อนคิดอยากแล้วกนะ็ทำตามความอยากและผลออกมาเนี่ยมันก็ติด ติดแล้วก็มาดื่มต่อว่เาเกิดความอยากนะอยากแล้วก็ดื่มมาดื่มแล้วก็ติดติดแล้วก็อยากวนเวียนเป็นวัฏฏสงสารในจิตใจเรานี่แหละแต่ถ้ามีสติพอมันคิดอยากมาปั๊บสติเห็นอ๋อนี่มันคิดแล้วเนี่ยมันตัดความคิดออกไปเลยไม่ต้องไปดื่มไม่ต้องไปแล้วจบลงที่ความคิดตัดเพื่อตัดการเวียนว่ายตายเกิดในจิตวัฏฏสงสารในจิตใจ สติตัดออกไปเลยอย่างเงี้ยจะไม่เลิกเอายมุกได้อย่างไรการเล่นการพนันการสูบบ e! ุหร <sh> ี่ติดอะไรก็ตามมันสติได้ตัดออกหมดเลยไม่ติดไม่ใช่ยางเหนียวสติเป็นตัวตัดและตัวปล่อยวางเวลามีอารมณ์อยากได้สติเกิดปั๊บความอยากหายไปมีอารมณ์โกรธหงุดหงิดไม่พอใจถ้าเราขาดสติแล้วก็ทําตามความไม่พอใจไปพูดไปว่าเขา แล้วต้องรีบเลยนะต้องรีบบูต้องรีบว่าด้วยปเดี๋ยวมันจะหายซะก่อนแล้วผลเป็นไงโอ้เราไม่น่าเลยเราไม่น่าพูดไปเลยเราไม่น่าไปทําร้ายก็เลยแต่มันทําไปแล้วเห็นไหมพราะขาดสติคอยยับยั้งชั่งใจความเบือ่อความเซ็งความกังวล น, นี่เจอจะขาดสติตั้งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาสติรูทันเนี่ยมันตัดออกไปเลยจบไปเลยเห็นไ่มมีประโยชน์มากทำที่มีอุป ก, การะมากคือสติสัมปชัญญะ มีในใครก็ตามคนนั้นก็มีคุณธรรมและของแบบเนี้ใครให้เราไม่ได้พระก็ให้เราไม่ได้เราต้องทำเอาเองจเจริญเอาเองรู้สึกตัวเอเองกับการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีความทุกข์มากชีวิตที่พิการเนี่ยทุกข์มากเลยทุกเพราะร่างกายต้องพิการตลอดชีวิตอย่างไม่เพียงพอทุกข์เพราะจิตใจที่ผิดหวัง อะไรก็ไม่ได้อย่างใจนะชีวิตต้องอาศัยคนอื่นต้องมีการรอคอยต่เขาไม่มาช่วยเราโอ้เราก็ต้องรอคอยเมื่อไหร่จะมาทันทีเมื่อช่วยเราเนี่ยถ้าช่วยไม่ถูกใจแล้วก็เป็นทุกโอ้ทุกอย่างขยับขยันไปไหนไม่ได้เป็นทุกมากแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ยเคยมีคนมาเปิดใจใผมฟังนะโอ้ถ้าชีวิตเขาต้องเป็นอย่างผมนี่นะ ฆ่าตัวตายไปนานแล้วเขายอมรับไม่ได้เขาทําใจไม่ได้ทําใจได้ไหมถ้าเออเราเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าโชคดีพิการอย่างผมเนี่ยทำใจได้ไหมอายุยี่สิบสี่ปีนะผมอายุยีิบสี่ปีที่เริ่มต้นพิการยี่สิบสี่ปียี่บสี่ปีร่างกายกําลังกํายําล่าสันทุกอย่างกําลังประสบผลสาเร็จแล้วแต่ชีวิตต้องเปลี่ยนมาเป็นคนพิการ ทุกอย่างลบเป็นศูนย์หมดเลยโอ้ทำใจได้ไหมถ้าไม่มีสติเนี่ยโอ้เป็นโรคจิตโาศาศครคประสาทคลุ้มคลั่งไปนานแล้วแต่ธรรมะช่วยได้สติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากช่วยได้คุณพ่อคุณแม่ยังช่วยเราไม่ได้อย่างสติเลยนะท่านช่วยหาอาหารให้กินเอายาให้ทานช่วยเหลือพิกตัวเราอาบน้าให้ก็ได้แค่นั้นน่ะ แต่ใจเราอะใจเราใครจะช่วยเราได้คุณหมอก็ช่วยไม่ได้หมอเองก็นอนไม่ค่อยหลับไปช่วยเราให้นอนหลับได้งไงใจเราต้องช่วยใจเราเองอาศัยธรรมโอสถเนี่ยเป็นนายแพทย์ใหญ่พาตัดหัวใจทางด้านจิตวิญญาณให้มันไม่ต้องทุกข์เอาเชื้อของความทุกข์ออกซะเติมสติเข้าไปเนี่ยอ้ออยู่แบบสบายเลย ใช้ชีวิตแบบเจิตระสติเนี่ยเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองยอมรับได้กับทุกอย่างแล้วก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาอย่างผมเนี่ยจะไปปีนเขาใหญ่ได้อย่างไร <c oughs> โอ้เขาใหญ่สนุกนะเนี่ยน้าตกที่รอซูอยู่จังหวัดตากโอ้ต้องปีนขึ้นไปถ้าผมอยากไปขึ้นมาผมจะทำอย่างไร ใครจะจับผมไปปีนเดี๋ยวนี้เขามีการดูหนังมีการฟังเพลงมีรหนังเราไปไม่ได้ไปได้อย่างไรอาหารที่นั่นที่นี้อร่อยก็ไปกินไม่ได้ทุกตายเลยเพราะว่าที่เราไปไม่ได้แต่เราสามารถทำใจให้เป็นสุขได้เป็นสุขได้โดยที่ไม่ต้องแสวงหาใช่ไหมผมมีทางเลือกแล้วแต่ก่อนต้องเลือกไปจึงจะมีความสุขแต่ต่อมาไม่ต้องไปก็มีความสุขได้ โดยการมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยความสดชื่นเบิกบานมันก็เกิดขึ้นมาเองนะไม่ต้องคิดมองโลกในแง่ดีด้วยแต่มองโลกในแง่ของความเป็นจริงโลกความเป็นจริงนี่มันมีแต่การเปลี่ยนแปลงถ้าไปยึดมั่นถือมัน่นมันจะเป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จิตมันก็ไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งต่างทั้งปวงมันก็พ้นอิสระออกมาจากไอ้ความทุกข์ทั้งหลายใช่ไหม มองโลกยังไงความเป็นจริงและปล่อยวางซะแต่ไม่หนีไปไหนนะทำหน้าที่กับโลกโดยหน้าที่ทำหน้าที่แต่ไม่ใช่เรื่องเราที่้องไปเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นสบายเลยอยู่อย่างสบายเลยเน <Yeah. S 1> ี่ยวนนั้นความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามจะอายุมากจะเป็นคนที่มีโรคภัยไห้เจ็บรุนแรงไม่สำคัญ สักกาที่ใจเราเนี่เป็นอย่างไรเราจะเป็นคนยากจนไม่ร่ำรวยก็ไม่สำคัญเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งก็ไม่สาคัญไม่สาคัญสมหวังหรือผิดหวังไม่สาคัญสัารที่ใจเราใจเราเป็นอย่างไรถ้าใจเรายอมรับได้เข้าใจเราก็มีความสุขได้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับ มีความอึดอัดกัดเคืองแล้วก็เป็นทุกข์ไม่เลิกอะ่ะเห็นไหมทำงานประเภทไหนไม่สําคัญนะสำคัญที่ใจเราเนี่ยทํางานด้วยใจประเภทไหนทาแบบความพอใจแล้วก็มีความสุขถ้าทําแบบเบื่อหน่ายเซ็งแล้วก็มีความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราต่างหากสำคัญที่ใจเพราะฉะนั้นชีวิตเราที่ผ่านมาจนทุกวันเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมีทั้งความสมหวังแล้วก็มีทั้งความผิดหวัง ใช่ไหมไม่มีใครเราสมหวังตลอดไปแล้วไม่มีใครผิดหวังตลอดไปยางใดที่เรามีความสมหวังชีวิตมีความสุขไม่ปฏิเสธแต่อย่าลืมสติให้รู้ไว้ให้รู้ทันว่าไอ้ความสมหวังนี่มันก็ไม่แน่นอนนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถูกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าไปยึดมั่นหรือมั่นมาให้รู้เอาไว้แล้วก็ทำหน้าที่กความสมหวังความสุขให้มีสติรู้ทัน ถ้าวันใดที่เรามีความทุกข์มีความผิดหวังในชีวิตก็อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเป็นทุกข์หมดเนื้อหมดตัวไปกับสิ่งที่ผิดหวังถึงกับต้องฆ่าตัวตายเป็นโรคจิตโรคประสาทร้องไห้ตี อ, อกชกตัวไม่จําเป็นให้มีสติรู้ไว้อ๋นี่เป็นความผิดหวังความทุกข์นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเห็นไม่มเราเคยมีความทุกข์มากี่ครั้งมันก็ผ่านไปทุกทีอย่างขณะ น, นี้กําลังเป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ให้รู้ต่อทันว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงให้มีสติรู้ทันแล้วก็ฝึกที่จะปล่อยวางมันซะฝึกปล่อยวางมันซะอันนี้คือบทเรียนเราก็จะมีจิตที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือความสมหวังเหนือความผิดหวังจิตเป็นอิสระมีแต่หน้าที่ที่ต้องกระทาเท่า น, น, นั้นทุกก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อทุกข์ไม่เกิดแล้วเนี่ยอะไรเกิดรู้ไหม ก็ความสุขความสบายไงไอ้ที่เราไม่มีความสุขทุกวันเนี่ยเพราะทุกข์มันเกาะกินจิตใจเรานะความอยากได้ที่หลนทยานอยากอันนี้ก็ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ความหงุดหงิดไม่พอใจมันก็ทําให้เป็นทุกข์ความเบื่อความเซงความกังวลพวกนี้ล่ะมันเป็นเชื้อมะเร็งทางด้านจิตใจทําให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้ามีสติแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ความสุขมันก็มาแทนที่โดยที่ไม่ต้องแสวงหานะอยากจะมีความสุขก็ต้อง ขุดเอาทุกออก จ, จิตใจซะก่อนแล้วความสุขก็จะมาแทนที่นะพอสมควรนะใครมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันบ้างค่ะมีคาถามนะคะท่านอาจารย์คะผู้ฟังมีคำถามฝากมาว่าอาจารย์พูดถึงคำว่ารู้สึกตัวเป็นคำที่เราก็จะเข้าใจว่าปกติเราก็รู้สึกตัวอยู่แล้วทำไมถึงจะต้องมาทำความรู้สึกตัวอีกนะคะ พอจะขยายความเพิ่มเติมให้ชัดเจนอีกสักนิดได้ไหมคะใเนี่ยคำถามนี้แต่ว่าไม่รู้สึกตัวหรอกนะ <c oughs> อธิษฐานแต่ว่าไม่รู้สึกตัวนะถ้ารู้กตัวแล้วไม่ต้องถามมันได้คาตอบคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยเป็นคำเดียวคำว่าการมีสติถ้าเรารู้ว่าเรากำลังนั่งอันนี้ก็ความรู้สึกตัวแต่เชื่อไหมว่าคนทั่วไปส่วนมากเนี่ยไม่รู้ว่าเรากาลังนั่งไม่รู้ว่าเรากาลังทาอะไร ปล่อยจิตใจเลื่อนลอยไม่อดีตก็อนาคตถ้ามีความรู้สึกตัวจะรู้ที่ปัจจุบันตอนนี้ก็รู้สิก็เพราะตั้งใจฟังอยู่เดี๋ยวออกไปก็เลื่อนลอยใจที่เลื่อนลอยนะ่ะคือความไม่รู้สึกตัวเห็นไหมคนเดินไปโทรศัพท์ไปเนี่ยเดินด้วยโทรศัพท์ด้วยเนี่ยเขารู้ตรงไหน ไปกับความคิดพูดคุยเดินเหยียบตะปูก็ไม่รู้ตัวถ้าคนที่มีความรู้ตัวจะรู้ว่ากายกําลังทำอะไรอันนี้คือรู้ตัวทั่วพร้อมใจกําลังคิดอะไรอันนี้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้เฉยๆรู้ว่ากายทำอะไรใจคิดอะไรตัวคือกายกับใจรู้คือสติเป็นอย่างนี้หรือเปล่าและต้องเป็นปัจจุบันด้วย ถ้าใจเลื่อนลอยจากปัจจุบันนี้ไม่รู้สึกตัวแล้วตายไปแล้วคนตายจิตใจเลื่อนลอยไม่มีถ้ารู้ตัวเนี่ยโอ้นี่เรายังมีชีวิตอยู่ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการบ่อบอกว่าเรายังมีชีวิตอยู่ถ้าใจิตใจเลื่อนลอยกายนั่งอยู่นี่ใจนึกถึงว่าต่อไปจะทําอะไรนถึงอนาคตกําลังร้อนกําลังเบือ่ออันนี้ะแะเรว่าไม่รู้สึกตัวไม่อยู่กับปัจจุบันเหมือนคนไม่มีชีวิตเข้าใจไหม หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อันนี้คือรู้สึกตัวแต่รู้เฉยๆนะอย่าไปบังคับอย่าไปอะไรมันรู้สบายๆเล่นๆสบายๆผ่อนคลายคือรู้สึกตัวค่ะอาจารย์คะถ้าจะให้ชัดเจนอีกสักนิดหนึ่งอาจารย์ช่วยขยายความหมายของคาว่ารู้กับหลงสักนิดหนึ่งดีไหมคะว่าอย่างไหนเรียกว่ารู้และอย่างไหนเรียกว่าหลงนะคะรู้ ขนาดนั่งอยู่ก็รู้ว่าเรานั่งแต่ถ้าเผลอไปจากการนั่งเนี่ยจิตคิดปรุงแต่งแล้วเราไม่รู้เนี่ยอันนั้นคือหลงคาว่าหลงคือเราไม่รู้ว่าเรากาลังทำอะไรอยู่กาลังคิดอะไรอยู่นั่นคือหลงส่วนมากหลงไปกับความคิดหลงไปกับสิ่งภายนอกคเครียดทรงจิตออกนอกอันนี้คือหลงถ้าท่งจิตมารู้กายรู้ใจรู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจคิดนึกอันนี้คือรู้สึกตัวถ้าเราไม่รู้ว่ากายเรานั่งท่าไหนเคลื่อนไหวอะไรหรือคิดนอะไรปล่อยจิตใจเลื่อนลอยอันนั้นแปลว่าหลงชีวิตเรามีสองอย่างคือรู้กับหลงหลงคือหลงลืมตัวกับรู้สึกตัวแยกได้ไหมแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราหลงลืมตัวตั้งหลายครั้งเราไม่ค่อยมารู้สึกตัว เวลาใดที่เรากโกรธเราหลงแล้วนะหลงปล่อยให้ความกโกรธเข้ามาจิตใจและไม่รู้ทันค่ะมีคำถามต่อมานะคะหลังๆนี้เราจะเห็นว่ามีคนที่ควบคุมความคิดไม่ได้แล้วก็คิดฆ่าตัวตายบ่อยๆนะค ะ, <c oughs> ะเหล่านี้เขาคงจะคิดว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นทางออกที่สามารถจะแก้ปัญหาได้การฆ่าตัวตายเนี่ยมันฆ่าผิดตัว <c oughs> มันต้องฆ่าตัวอยากจะฆ่าตัวตายน่าจะมันจะได้จบ <c oughs> มันเกิดความท้อแท้ปิดหวังไม่มีใครสมหวังได้ฆ่าตัวตายความท้อแท้ปิดหวังเนี่ยมันเกิดจากความคิดใช่ไหมพราะมันคิดอยากฆ่าตัวตายปั๊บเราก็ ล, ล้มลื่นสติเราอาจจะไม่ฆ่าในในคิดครั้งแรกและต่อมาคิดบ่อยๆเนี่ยมันพาเราไปฆ่าตัวตายได้จริงนะ พระเราไม่รู้ทันในความคิดถ้ามีสติอ๋อนี่มันคิดฆ่าตัวตายมันก็จบลงแค่นั้นไม่ฆ่าตามความคิดมันคิดขึ้นมาเราต้องเชื่อความคิดด้วยหรือเราไม่เชื่อมันบ้างได้ไหมมันพาเราไปตายไปเชื่อได้ไหมให้รู้ทันสติจะรู้ทันความคิดพอะเริ่มต้นความทุกข์ ถ้ามีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่เราไม่พอใจเลยทุกแล้วมันจบตรงนั้นไม่ต้องไปคิดต่อว่าโอ๊คควรจะฆ่าตัวตายเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์อย่างเงี้ยสู้แมวไม่ได้ไม่ก็เห็นแมวผูกคอตายเลยแมวไม่ดีกว่าคนนะแต่คนนี่มันคิดมากคิดจะต้งเอาตัวไม่รอดถ้ามีสติรู้ทันในความคิดนั้นความคิดถูกฆ่าไปแล้วความคิดฆ่าตัวตายถูกฆ่าไปแล้วจบเลยไม่ต้องไปฆ่าตัว แต่เป็นฆ่ากิเลส ท, ที่อยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยต้องฆ่าให้ถูกตัวไม่ใช่ฆ่าร่างกายร่างกายเนี่โอสองสารมันอย่าไปฆ่ามันเลยถึงเวลานอนก็ไม่ให้มันนอนนั่งดูอยู่นั่นแล้วฟุตบอลก็มันไอ้กายก็ง่วง <c oughs> หนังก็มันแต่ร่างกายก็อยากนอนโอสองสารมันร่างกายไม่อยากกินหอกไอ้สารพิษต่างๆโอถ้าจับใส่เข้าไปใช้มันไปสารพัดอย่างไปเดินรอบโต๊ะมัง่งไปนั่งแล้วขนลังแข็ง โอ้สองสารมันเป็นธาตุรับใช้ที่ซื่อสัตย์อย่าไปฆ่ามันจะฆ่าคือฆ่าความคิดที่จะฆ่าตัวมันนี่คือฆ่าถูกตัวถ้าฆ่าความคิดได้แล้วก็โอ๊จิตมันนิพพานเลยบริสุทธิ์ไปเลยไม่ต้องไอถุงนี่มาปรุงแต่งเห็นไหมฆ่าถูกตัวนะถ้าฆ่าผิดตัวเนี่ยสู้แมวไม่ได้นะคําถามต่อไปก็คือมีเพื่อนของเราบางคนนะคะเป็นพนักงานที่ทํางานแบบ ลักษณะอาจจะซ้ำซากในหน้าที่เดิมตลอดเวลาปฏิบัติหน้าที่ไปเนี่ยก็ไม่ว่าจะจะนั่งจะยืนเมื่อทํางานไปเนี่ยใจก็ส่งออกนอกไปเรื่อยอะคะ่ะไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างจะมีเทคนิคพิธีอะไรไหมที่จะนําให้เพื่อนของเราเนี่ยเข้าสู่การปฏิบัติธรรมนำการปฏิบัติธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะอาจารย์คะข้อสาคัญว่าเราอยากปฏิบัติหรือเปล่า อาการเบือ่ออาการเสร็งนั้นมาเกิดจากความคิดเหมือนกันนะความคิดนี่ไม่ใช่การทำงานการทำงานคือต้องอยู่กับปัจจุบันการงานเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติทําได้ถ้าเราใส่ใจอยู่กับแดนงานของเราเนี่ยมันก็ต้องไปคิดความคิดแบบนั้นไม่ต้องคิดอยู่กับการทำงานเนี่ยไม่จะคิดก็คิดแต่กระแดนงานของเราไม่ต้องคิดปรุงแต่งไปเรื่องอื่นอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรม เราเองมักจะบอกว่าโอ้เราเนี่ไม่มีเวลาไปวัดมีแต่เวลาทำงานแต่การทำงานเนี่ยถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวได้ล้วก็ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันไม่ต้องไปวัดการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดนั้นคือทำในชีวิตประจาวันเพียงแค่เติมสติปฏิบททัติธรรมคือการมีสติอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ากับปัจจุบัน แค่นี้เราก็เอามาปฏิบัติทำได้ขณะทำงานอยู่ก็รู้ว่าเรากำลังทำงานเมื่อจิตมันไม่พอใจรู้ว่า อ, อ๋อในจิตนี่มันมันคิดแล้วแค่นี้ก็ได้ปฏิบัติทำเราทำได้ทั้งวันเลยอย่าไปรอว่าเบื่อตรงนี้แสงเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่ก็ไม่เบื่องานใหม่เราไม่จัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยต่อไปก็จะหางานทาไม่ได้เพราะความเบื่อเนี่ยไม่ใช่เพราะงานให้เราเบื่อนะ เพราะเราวางใจไว้ผิดเราวางใจไว้ผิดงานก็คืองานแต่เราวางใจไว้ผิดว่ามันน่าเบื่องานคือสิ่งที่เบื่อที่ต้องทำต้องทำใช่ไหมแต่พอเลิกงานแล้วไปเที่ยวหาความสุขอันนั้นคือความสุขเราไปแบ่งแยกว่าอันนี้คือความสุขอันนี้คืองานทำงานเสร็จแล้วต้องไปหาความสุขไปการผ่อนคลายทาไมเราจึงไม่รวมความสุขมากับการทางานซะรวมเป็นหนึ่งเดียว ทำงานก็มีความสุขหาความสุขจากการทำงานเนี่ยคืออยู่กับปัจจุบันไม่ต้องมุ่งหวังว่าจะได้จากการทำงานเห็นประโยชน์ของงานคนที่มีงานทำแล้วเหนื่อยแล้วเลียรแล้วเครียดก็ดีกว่าคนที่ไม่มีงานทำคนที่ไม่มีงานทำานี่มันเครียดกว่านะเครียดเพราะไม่มีงานเนี่ยโหมันฆ่าตัวทายเห็น ไ, ไหมเครียดเพราะการทางานยังดีกว่า ดีกว่าเพราะเครียดเพราะไม่มีงานทําถ้าหาความสุขกับการทํางานได้ใหม่แล้วก็เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตไม่ต้องไปเสียเงินเสื้อบายามุกแต่อยู่กับงานอย่างมีความสุขอย่างมีสติเห็นประโยชน์ขอการทํางานปฏิบัติทำได้ปฏิบัติทำคืออะไรไม่ใช่ไปแต่งชุดขาวไปอยู่ที่วัดไม่ใช่การมีสติรู้ตัวเสมอๆในการใช้ชีวิตชีวิตอยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติทำได้ตรงนั้น ชีวิตอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมที่บ้านชีวิตอยู่ที่ที่ทำงานก็ทำที่ที่ทำงานชีวิตอยู่ที่วัดก็ปฏิบัติที่วัดไม่ใช่ว่าเป็นทุกที่บ้านแล้วหนีไปวัดเพื่อจะไปดับทุกข์บางทีมันดับไม่ได้ไปเพิ่มทุกข์ก็ได้เพราะความทุกข์มันเกาะที่ติดที่ใจเราใช่ไหมไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่ที่ใจเราที่ไหนเราก็ปฏิบัติได้เอากายเป็นวัดเอาใจเป็นพระปฏิบัได้ทันทีเลย นอนอยู่ก็ทำได้อยู่ในห้องน้ำก็ทำได้อยู่ในห้อง ICU ก็เจริญสะติได้เพระาะนั้นอย่าปฏิเสธในที่ปฏิบัติทำได้ทุกที่เลยถ้ามีสติอยู่แล้วค่ะคำถามต่อไปนะคะ <c oughs> เพื่อนของเราสงสัยว่าถ้าเราเนี่ยไม่สามารถจะทำจิตให้ตั้งมั่นได้เนื่องจากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยใจเนี่ยขยันที่จะลอยแล้วก็ส่งออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะทายังไงจะมีวิธีอะไรที่จะดึงจิตของเรา ที่ส่งออกขยันจะส่งออกอยู่เสมอเนี่ยให้กลับมาอยู่ที่ตัวเองมาอยู่กับปัจจุบันจะใช้วิธีเพ่งและบังคับจิตให้กลับมาตั้งมั่นได้ด้วยวิธีใดค่ะจิตที่สับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะไม่พร้อมที่จะปฏิบัติมันไม่พร้อมพฤติกรรมมันไม่ดีซะแล้วเราต้องใช้วิธีการละลายพฤติกรรมจิต การละลายพฤติกรรมจิตนี่ไม่ต้องให้ใครมาละลายให้ละลายเองละละเห็นหมจิตไม่ใช่มันฟุ้งตลอดไปหรอกบางทีจิตมันก็ดีถ้าเราไม่พร้อมลองไปทำงานที่เราชอบสิทางานที่เราชอบอย่างคุณผู้หญิงก็ชอบจัดบ้านจัดที่จัดทางย้ายโต๊ะนี้ไปโต๊ะนั้นทาเองอย่าไปใช้ลูกน้องนะต้องทำเองใช่ลูกน้องเดี๋ยวจะเคลียดทำเองเลย เก็บเสื้อผ้าปัดกวาดโอ้มันมีความสุขเห็นไหมทําไมเราเดินจงกรมได้วันหนึ่งได้ไม่ถึงชั่วโมงแต่พอเดินบนห้างนลครึ่งวันก็เดินได้เพราะเราทำสิ่งที่เราชอบทำสิ่งที่เราชอบทางานที่เราชอบจิตมันก็จะผ่อนคลายจากอารมณ์เห็นหเป็นการตั้งหลักหรือฟังธรรมฟังธรรมะที่เราชอบเราชอบครูบาอาจารย์องค์นี้ฟัง การฟังธรรมะก็ได้สติได้สมาธิเหมือนกันแทนที่จะปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยกลับมาอยู่กับธรรมะจิตเริ่มเป็นระเบียบละลายพฤติกรรมความฟุ่น้านได้ชั่วขณะหนึ่งอ่านหนังสือธรรมะคบกรัลรยาณมิตรอย่าไปคบกับนายบุญฟุง้งนายบุญฟุ้งก็พาฟุ้งไปเลยคบกับคนที่เขาสงบชอบปฏิบัติตามพูดคุยที่มีเหตุมีผลคบกัลยาณมิตรคบพระเนี่ย เห็นพระเหลืองสติก็เกิดอย่างเมื่อกี้นี้นั่งแม่ค่อยสำรวม่ะพอพระมาโอ้หเรียบร้อยสติเกิดชั่วขณะหนึ่งเมื่อเห็นพระเห็นพ้าเหลืองคบกัลยานมิตรเห็นประโยชน์ของการมีสติประโยชน์ของการมีสตินี่มีมากมายเมื่อสติเกิดจะนําปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตเมื่อขาดสติจิตมันจะเป็นทุกข์ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิจิตจะเป็นทุกข์ เห็นทุกเห็นโทษของการไม่มีสติเดินเตะอะไรกระเด็นโอ้นี่เราขาดสตินะเนเห็นทุกโทษเดินแล้วหกลม้มเนี่ยขาดสตินะพูดอะไรออกไปแล้วแก้ไขไม่ได้อนี้ขาดสตินะเห็นทุกเห็นโทษของการขาดสติสติก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆเห็นประโยชน์ประโยชน์ของสติสติก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆใช่ไหมมองในแง่ดีสติก็จะเกิดกกแล้วที่สาคัญก็คือ ฝึกอาศัยความอดทนอดทนการอดทนเนี่ยทำให้มีสมาธิอดทนกับอารมณ์ความอดทนเนี่ยมันเพิ่มพลังของจิตแล้วก็ไปตัดกำลังของอารมณ์เห็นไหมตัดกำลังอารมณ์มาเพิ่มกำลังจิตฝึกความอดทนแล้วสตินั้นต้องรู้สึก บ, บ่อย อย่างที่จะรู้อ๋อเบื่อก็รู้ว่าเบื่อฟุ้งก็รู้ว่าฟุง้งสงสัยก็รู้ว่าสงสัยหงุดหงิดเบื่อหน่ายขี้เกีก็รู้ฝึกรู้บ่อยๆเป็นการสอนจิต ท, ที่มันรู้ให้มันรู้ไม่ต้องให้ไปกับอารมณ์แล้วมันก็จะรู้ได้บ่อยๆความฟุ้งซ่าเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ใน ไ, ไม้ต้องหลายข้อเลือกเอาไปใช้ตามจริตของเราอย่างเนี้ยกําลังฟังเนี่ยทุกคนจิตไม่ค่อยฟุ้งหรอก ก็จําได้ชัดเลยค่ะว่าให้เลิกคบนายบุญฟุงนะคะแต่ว่าให้คบหากัญญาญาณมิตรเพื่อให้เรามีสติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคําถามต่อไปค่ะอาจารย์คะสําหรับเพื่อนของเราที่สนใจอยากจะปฏิบัติธรรมแล้วล่ะเห็นว่าดีเอ๊ะแต่จะเริ่มต้นยังไงดีคะก็เริ่มต้ที่ใจเราอยากปฏิบัติก็เริ่มต้นที่ตัวเราเลยเนี่ยขณะเนี้เรารู้สึกว่าเรากำลังทําอะไรอยู่นะ เริ่มจากการมีสติอยู่กับปัจจุบันก่อนเริ่มจากตรงนี้นะอย่าไปเริ่มที่วัดเริ่มที่วัดนี่ อ, อจนันน้ไปบางทีมันไม่อยากจะเริ่มแล้วมาเป็นนาคล้วเริ่มจากปัจจุบันเลยการปฏิบัติธรรมนั้นคือการให้มีสติรู้สึกตัวท่านี้เมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยคุณธรรมต่างๆมันจะเกิดขึ้นมากมายมีทั้งเมตตามีทั้งละอายชั่วกลัวบาปพระพุทธองค์บอกว่าเมื่อบุคคลมีความรู้สึกตัว กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอ่กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเพราะฉะนั้นให้เรามารู้สึกตัวที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอ <c oughs> ทันทีเลยแต่ถ้ายังไปทําในรูปแบบอามีเวลาก็ไปที่สํานักไปที่วัดแต่ตอนนี้ทําได้ก่อนก็รู้สึกตัวไปก่อนง่ายไหมผมว่าปอกกล้วยเข้าปากนี่ยากกว่านะ ยากกับความรู้สึกว่าเรากําลังทําอะไรมันง่ายไอ้ที่มันยากเพราะว่าเราไม่อยากจะทํายากพอคิดมันยากทําได้ไหมคนที่อยากปฏิบัติก็เลิกแต่เดี๋ยวนี้ซะเริ่มได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะคะ <c oughs> ที่นี่เลยนะคะหรืออยากใช้มันชักกว่านี้ก็คือฝึกมีศีลห้าฝึกมีศีลห้าสักหน่อยมีศีลห้าหแล้วมีสติเนี่ยสติเนี่ยมันจะรักษาศีลได้ คนที่ไม่มีศีลรมักขาดสติสติสตมปนผู้รักษาศีล น, นะมีศีลห้าเนี่ยแล้วสติคอยระวังว่ากลัวจะผิดข้อนู้นคร น, นี้สติมันก็จะเกิดจะตบยุงเพราะงื้อปั๊บสติเกิดตบยุงผิดศีลข้อนึงนะสติเกิดแล้วไม่ต้องตบแล้วหรือตบพวโอยุงตายไปแล้วมีสติเออยุงมันตายเพราะเราตบต่อไปจะไม่ทําอย่างนี้อีกก็ออยังมีสติง่งายไหมเริ่มจากศีลห้าจะได้เป็นมนุษย์ก่อน ทีนี้การปฏิบัติเนี่ยจำเป็นไหมคะอาจารย์ที่จะต้องเข้าคอร์สที่เขาจัดกันหลายๆวันต่อเนื่องกันนะคะก็แล้วแต่จริตบางคนเราจะฝึกขนาดไหนถ้ า, า จ, จะให้เข้มข้นหน่อยก็ไปเข้าคอร์สหรือก็ทั้งบวชเลยก็ยังได้นะเราฝึกประดับไหนแต่จริตบางคนนิดไม่ชอบการเข้าคอร์สชอบปฏิบัติแบบสบายๆแต่รู้ดีนะบางทีกิเลสไม่อยากสบายนะ <c oughs> ต้องดูว่า บางทีต้องอาศัยเพื่อนอาศัยหมูอาศัยกัลยะาณมิตรเขาทำกันเขาปฏิบัติกันเราจะมานอนได้อย่างไรใช่ไก็พอะอาศัยหมูเนี่ยเป็นครูสอนเราการเข้าคอร์สก็มีครูบาอาจารย์ให้คาแนะนามีธรรมะให้ฟังมีระบบต่างๆให้เราอยู่ปฏิบัติคนชอบแบบนี้ก็ไปทําได้แต่บางคนไม่ชอบอยู่บ้านต้องซื่อสัตว์ซื่อตรงต่อตัวเอง พรที่บ้านนี่มีทั้งทีวีมีทั้งตู้เย็นไอหนึ่งก็ต้อของเราไอหนึ่งของเราไอหนี่ก็ต้องทําไม่ได้ก็ต้องทําถ้าไม่ซื่อสัตย์ซื้อตรงตรงัวเองแล้วก็มันก็หลุดไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับจริตของเราเราอยากเข้าคอสก็เข้าเลยถ้าเข้าคอสแล้วขาดสติสู้อยู่บ้านแล้วมีสติไม่ได้ถ้าอยู่บ้านแล้วขาดสติก็เข้าคอสไม่มีสติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราต่างหากจริตเราชอบแบบไหน อย่างผมเนี่ยเริ่มที่บ้านนะผมไม่ได้ไปเริ่มที่วัดเริ่มที่บ้านความพิการมันเป็นบทบังคับให้เราไปทำอย่างอื่นไม่ได้ขี้เกยียจก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้เวลาปฏิบัติแล้วมันเครียดโอ้เที่ยไปผ่อนคลายที่ไหนไม่ได้ก็อยู่กับความเครียดเวลาปฏิบัติเวลาเราง่วงนอนคนเดินจงกรมมันก็หายง่วง ผมมันเดินไม่ได้ก็ต้องนอนอยู่กับความง่วงอาศัยเราอดทนซื่อสตัตย์ตัวเองถ้าไม่ทําแล้วก็จะเป็นทุกข์ไปจนตายถ้าทาเนี่ยมีโอกาสออกจากความทุกข์ได้มันมีเดิมพันเห็นไหมจุกว่าเราจะซื่อสัตย์ตัวเองแค่ไหนถ้าคิดว่าจิตใจเรามันเข้มแข็งพออ่ะไปเข้าคอส อ, อาศัยรูปแบบอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยเพื่อนอาศัยหมู่อย่างไงดีดีทั้งคู่ ึ้นอยู่กับจิตของเราชอบแบบไหนใช้ดีนะลองทั้งสองอย่างก็ดีนะบางทีกิเลสมันชอบอยู่บ้านบางทีกิเลสไม่ชอบไปปฏิบัตนะิต้องลองทั้งคู่แล้วเปรียบเทียบดูอันไหนจิตมันพัฒนาม า, ากันนั่นหละค่ะก็เป็นคำตอบที่แต่ละคนจะต้องหาคำตอบให้ตัวเองนะคะว่าจริตของเราเนี่ยไปทางไหนจะปฏิบัติด้วยตัวเองที่บ้าน ในแดนงานที่เราทําอยู่หรือว่าจะเข้าคอร์สปฏิบัติแต่อาจารย์ก็ย้ำว่าลองทั้งสองอย่างแล้วค่อยให้คําตอบตัวเองก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะคะทีนี้สำหรับคนที่เริ่มปฏิบัติทําแล้วเริ่มทาความรู้สึกตัวแล้วนานแค่ไหนคะอาจารย์เราถึงจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวคะ่ะนานแค่ไหนเลยค่ะโอโ้มันไม่เหมือนอย่างการเรียนหนังสือนะถ้า6ปีเราจบเปาห เรียนสี่ปีจบมหมายว่าอะไสิ่งเหลนี้เรากำหนดไม่ได้หรอกขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนว่าเราวางจิตวางใจถูกต้องแค่ไหนถ้าวางใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องแล้วก็มากเพียงพอผลก็จะเกิดขึ้นมันกะเกณฑ์ไม่ได้แต่มันมีวิธีการสำรวจตัวเรา คือบางทีคำพูดบางคำมันเป็นภาษาธรรมอ่ะโอภาษาธรรมแล้วคนที่ไม่ไม่เคยได้ยินคำนี้อาจจะไม่เข้าใจก็จะพูดแบบกลางๆให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายถ้าเราเจริญสติถ้าใจเราเนี่ยผ่อนคลายสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นสติไวขึ้นแล้วก็ขยันมากขึ้น เราก็มีความรู้สึกตัวแล้วชีวิตเป็นปัจจุบันมากคือมีแต่ความผ่อนคลายสบายๆแบบรู้ตัวอันนี้สติมันเกิดถ้าทำแล้วเคร่งเครียดอึดอัดเบือ่อเซ็งเกิดยานม้วนเสือไม่อยากปฏิบัติขี้เกียจเนี่ยมันเข้าไม่ถึงความรู้สึกตัวหรอกไม่เข้าถึงธรรมะคนมีสติย่อมขยัน อยากปฏิบัติจิตใจเนี่สดชื่นเบิกบานสติทําให้จิตมันตื่นตื่นรู้เมื่อตื่นรู้แล้วมันจะมีความเบิกบานสดชื่นอยู่ภายในไม่ได้เบิกบานข้างนอกเศร้าหมองข้างใน <c oughs> สมัยนี้คนเราสร้างภาพเบิกบานข้างนอกเศร้าหมองข้างในแต่ความเบิกบานนั้นออกมาจากจิตใจเมื่อเรามีสติเพราะอะไรเพราะจิตเมื่อเบิกบานแล้วเนี่ยการปรุงแต่ง เรื่องความรักโลภโกรธหลงวิตกกังวลเบือ่อกลุ่มเซงเหงาอิจฉาเสยายมันจะไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในใจแล้วจิตมันก็เป็นปกติมันก็มีความเบิกบานออกมาจากข้างในอยู่ที่การวางจิตวางใจบางคนบอกว่าเนี่ยเขาปฏิบัติมากเคร่งเครียดเออเคร่งมันต้องคลายถ้าเคร่งแล้วเครียดเนี่ยโอ้สู้ไม่ปฏิบัติ ด, ดีกว่า ปฏิบติธรรมเพื่อความดับทุกข์มาต้องคลี่คลายการปฏิบัติธรรมเป็นการคลายเกลียวนัดคลายคลายคลายการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ขันขันมันเครียดต้องผ่อนคลายพฤติกรรมต้องเปลี่ยนไปจากคนที่วุ่นวายสงบเย็นขึ้นแม้ว่าที่นั้นมันฟุ้งซ่านแต่ผู้นั้นก็สงบได้จิตเป็นปกติ ไม่ขึ้นไม่ลงตามอารมณ์พอเยอะสรุปก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกตัวมากขึ้นแล้วหรือยังอันนี้เราก็คงต้องเป็นกรรมการให้กับตัวของเราเองอย่างไม่ลําเอียงให้เข้าข้างตัวเองนะคะว่าเดิมเราเป็นยังไงแล้วเมื่อเราเริ่มปฏิบัติธรรไปแล้วระยะหนึ่งเนี่ยเราพบเห็นความเปลี่ยนแปลงใ น, ในใจของเราบ้างมากน้อยแค่ไหนให้คะแนนตัวเองคะ่ะนะคะ คำถามต่อไปเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะเนื่องจากว่าที่นี่คือมหาชัยนะคะอาชีพที่เป็นอาชีพหลักของคนของเราเชาวมหาชัยก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องของการประมงนะคะซึ่งก็มีปุชชาต่อมาว่าเป็นเรื่องที่ไม่พ้นการเบียดเบียนค่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะอาชีพการงานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะ จะมีทางออกที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลได้ก็คือไปเข้าวัดทําบุญต่างบาตหรือว่าสวดมนต์เนี่ยนะคะเพื่อให้จิตของเราได้เป็นกุศลยิ่งขึ้นอยากจะทําแต่สิ่งที่สะสมความดีใส่กระปุกความดีเอาไว้ประมาณนั้นนะคะนี้นอกจากการเจริญสติแล้วเนี่ยอาจารย์จะมีคําแนะนําอื่นที่ดีๆเหมาะกับพวกเราบ้างไหมคะ คนเราทุกคนเนี่ยก็ทำอยู่สองอย่างไม่บุญกับบาปเขาจเรียกว่าบุญก็ทำกรรมก็แต่ง <c oughs> เราทำบุญมากหรือทำกรรมแต่งมาก <c oughs> ชีวิตเราเนี่ยทำาตส่วนไหนมากเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะไม่มีอาชีพจับปลาประมงหรือฆ่าสัตว์โดยตรงเราก็ทำบาปอย่างอื่นเหมือนกันนะใช่ไหม เพราะแต่ละคนเนี่ยมันต้องมีการสะสมทั้งกุศลคือฝ่ายบุญอกุศลคือบาปแต่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการทำบาปได้โดยการทำบุญเนี่ยการที่มาฟังเนี้ยคือฟังธรรมะนะเนี่ยท่านเก็บเกียว บ, บ, บุญไปมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ไปทำประมงท่านไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติในกามไม่ได้พูดโกหกอะไรเลย แลวไม่ไดื่มสุราด้วยเนี่ยศีลห้าครบโดยที่ไม่ได้สมาทานมันก็มีช่วงบางช่วงที่เราทําบุญได้เหมือนกันเราอาจจะทำบาปในช่วงที่เราทําหน้าที่แต่พ้นหน้าที่ไปแล้วเราก็ไม่ได้ทําเราไม่ได้ทาทั้งวันหรอกแต่ถ้าเราคิดปรุงแต่งทั้งวันมันก็ทําทั้งวันเหมือนกันกรรมเกิดขึ้นทางด้านจิตใจสบายใจไหม เราไม่ได้ทำบาปทั้งวันในส่วนบุญเราก็เก็บในส่วนบาปก็ทำไปตามหน้าที่แต่อย่าไปนึกถึงทำแล้วก็แล้วไปทาแล้วก็แล้วไปอย่างเช่นว่าก่อนที่จะมีพิธีกรรมเนี่ยเขามักจะนิมนต์พระมาให้พระนิมนต์พระท่านให้ศีลห้าบางคนเนี่ไม่ยอมรับเลย เพราะว่าหลังจากงานต้องไปกินเหล้ากลัวผิดศีลห้าทำไมไม่รับไปก่อนขนาดรับเนี่ยเรามีศีลห้าครบเลยนะถูกไหมแต่ลงจากเลือนไปแล้วเนี่ยอาจจะเหลือสี่ก็ได้อย่างน้อยเราก็มีเหลือสีอ่อ่ะหายไปขอ้อมีศีลให้ผิดดีกว่าไม่มีศีลเลยจึงเหลือศีลอยู่ต้องสีขง่ข้อเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยบุญเราก็ทําไปเถอะบาปมันก็ต้องมี แต่ควรจะหลีกเลี่ยงถ้าหลเลี่ยงไม่ได้ก็ทำแต่น้อยๆแล้วก็อย่าไปคิดถึงมันเพราะนั้นบางครั้งต้องรอเวลาเรามีชีวิตแบบเป็นคราวาสก็ต้องอยู่แบบเป็นคราวาสแต่อย่าลืมสั่งสมบุญกุศลสั่สมเอาไว้เรามีกระเป๋าอยู่สองใบใบหนึ่งเก็บบุญใบหนึ่งเก็บบาป ให้เก็บบุญเข้าไว้เยอะๆบาปจะได้ตามไม่ทันถึงทันก็น้อยน้อยกว่าบุญก่อนจะตายโอ้กระเป๋าบุญเข้ามาก่อนนึกถึงสิ่งที่ดีๆก็ไปดีถ้าก่อนจะตายบาปเข้าก่อนแล้วก็โชคไม่ดีแต่ถ้ามีสติโอ้สตินี่มันเลือกบุญเข้าแล้วบาปไม่มีโอกาสทั้งบุญทั้งบาปส่งผลทางนั้นขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะส่งผลก่อน บางคนบอกว่าเอ๊ะคนนี้เขาทำความชั่วทำไมเขาจึงได้ดีที่ว่าได้ดีนั้นอาจจะกรรมดีส่งผลตอนนั้นก็ได้ผลชั่วอาจจะยังไม่ตรงผลคืออยู่ว่าอะไรจะส่งผลก่อนอะไรจะเข้าวินก่อนแต่เขาต้องได้รับผลแน่นอนเพราะนั้นการมาฟังทำการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม การฟังธรรมะการเจริญสติเนี่ยมันช่วยช่วยให้ไปการสั่งสมบุญทำค่อยๆบ่อยๆบาทจะได้ตามไม่ทันหลักคำสอนมีสมข้อละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องแผ้วคือไม่ยึดทั้งบาปทั้งบุญถ้าไม่สติเนี่ยบุญบาปอยู่ข้างล่าง สติเนี่ยมันทําให้เกิดปัญญารู้จักปล่อยวางทั้งบุญทั้งบาปจิตหลุดพ้นไปเลยบาปที่มีอยู่ส่งผลไม่ได้บุญที่มีอยู่ก็ส่งผลไม่ได้มันพ้นไปแล้วจากบุญจากบาปด้วยการเติสติแล้วเกิดปัญญาอยากพ้นไหมพ้นจากบุญทั้งบาปรือยังเสียดายบุญอยู่ถ้าอยากเสด็จได้บุญก็ทำบุญไปมากๆจนกว่าจะพ้นบุญคําถามสุดท้ายแล้วนะคะ มีเด็กๆมาหลายคนคงจะมีคุณพ่อสักท่านนึงนะคะกังวลว่าจะมีวิธียังไงหนอที่จะสอนลูกให้มีสติให้เข้าใจถึงการมีสติลูกของท่านผู้นี้เนี่ยอายุประมาณสิบสองปีอะค่ะอาจารย์คะจะมีวิธีอะไรที่จะแนะนําคุณพ่อท่านนี้ให้ไปสอนลูกให้เข้าใจถึงเรื่องของการมีสติได้บ้างคะอ๋อสอนลูกให้ปฏิบัติธรรมนี่ได้สอนได้ สมมาเนนี่ยเจ็ขวบเจ้าเป็นอหรหันได้แล้วแต่สาคัญเนี่ยแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ต้องทำเป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าพ่อแม่ทำเป็นตัวอย่างแล้วก็ลูกก็จะทำตามนะเพราะว่าเด็กอายุ12อเนี่ยเขามองคนที่เป็นอัศวินเขาคือคุณพ่อมองแม่พระคือคุณแม่เขาเชื่อพ่อเชื่อแม่นะยังเชื่อพ่อเชื่อแม่อยู่ ทำเป็นตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างอย่าทะเลาะกันเป็นตัวอย่างอย่าหงุดหงิดเป็นตัวอย่างกับลูกลูกก็จะทำตามตรงนี้อยู่แบบเย็นเป็นสุขสบายสบายแล้วเด็กก็จะซึมซับประสบนี้ไปตรงไหนที่ขาสติชี้ลูกดูวะเนี่ยลูกอันนี้ขาสติแล้วนะทำไปเนี่ยขาสตินะชี้ถูกชี้ปิดให้ลูกเป็นการสอนงานบางอย่างเด็กก็มีสติอยู่แล้ว การวาดรูปนะมีสติมีสมาธิการเล่นดนตรีการเล่นกีฬาการออกกําลังกายผู้นี้สามารถมีสติสมาธิโดยธรรมชาติเลยทั้งนั้นและค่อยแต่งเติมให้เด็กรู้จักมีสติในการใช้ชีวิตตรงไหนผิดชี้ที่ผิดเห็นไหมลูกลืมสมุดไว้ที่บ้านไปโรงเรียนเนี่ยพ่อตอนสมุดไปให้อนี่ลูกขาดสตินะ เห็นชี้ทุกโทษของการขาดสติให้เด็กรู้แล้วเด็กเรียนเก่งโอ้นี่เพราะลูกมีสติลูกเวลาครูสอนเธอตั้งใจฟังติดเธอไม่เลื่อนลอยเธอจึงจำคำสอนครูและทําข้อสอบแล้วชี้ส่วนที่เป็นประโยชน์ให้